สิ่งใดไม่สมประสงค์เรามานึกถึงอารมณ์สิ่งนั้นมันก็ไม่หลับอีกเหมือนกันแล้ลึกถึงอนาคตเกินไปก็ไม่หลับเหมือนกันแล้วลึกถึงอดีตเกินไปที่มันล่วงมาแล้วมันก็ไม่หลับเหมือนกันนึกอยู่ในปัจจุบันเพิ่มารมให้ใจะเข้ออาออกหลับหรือไม่หลับก็ไม่ขาดทุนอนเอ้ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ มีข้อถามีมีกองทัพทำลายโต้ฟาได้ไหมเมื่อกองทัพทำลายโต้ฟาไม่ได้หน้าของใครเข้ามามันตกใจก็ไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันความดีใครจะทำลายได้ความชั่วก็เกี่ยขวามไ ม, ไม่ไม่ได้เหมือนกันเพื่ออะไรทำชั่วลงไปแล้วจะเกี่ยขวามาให้ได้รับผลความชั่วก็กกี่ยววามไม่ได้ ใครทําดีลงไปแล้วตอนไหนดีจะ ก, กีดขวางความดีมันก็กีดขวางไม่ได้ใครล้มใครหลุมหลุมสันเทอร์มจะ ก, กีดขวางความร้อนไว้ก็ไม่ได้ใครเว่นจะ ก, กีด จ, จะเอาร้อนไปใส่มันก็ไม่ได้เหมือกนกันทำโจตเงันข้ามถ้ากรรมแล้วผล้องกรรมไม่มีเราก็ไม่เที่ยวเขาพุทธศาสนาเหมือนกันเราเทียบของเราเราไปเคยไปยิงนกยิงนกเขาน่อายุสิบห้าปี ได้ลอกเขาตัวเดียวยิง ด, ด้วยสม่ไหมั่นเรียกว่าก้องเป่าสาม่ไมนี่เรียกว่าอะไรไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบตัวนวันผุบบ้าสาลางเขาอย่างนั้นลูกดอกบ้ า, า น, นเนอรอุอะไรอ่ะ พวเ้าาไปยิงในนกเขาตัวหนึงตกมาล็กแวกมาลกแปลกมามันจับอยู่ประมาณจักแปดเมตรข่านไปพอยามเาน้ําะไอยู่หนาวมันนั่งลวกขอเข็ดด้วยมันกาะแกะเออมาข้านไปข้าไปจับแต่ก็จุดตาล้วก็เลียวหุ่นทางไกลๆน่อชอพวกุช็ตพกเลียวหุ่นเี้ตาดีเลยครับทนนี้กัหูแล้วเขะไปักร เตเขาต่อเตน้องมนันเขาเ่าแล้วค้างสุดจกมาล็ ก, กปกมาล ก, กปักลงมาโอ้ยข้างเธอเนาะว่าจังยกลงมาไอ้เจ้าของว่าข้างกมออกอะไรถอดรูปผู้อกอกกกกอกกอกจำนียนะบนบดดังแห่กกกกกก มึงชนะมึงชนามึงมาเฮ็ดกมูมาก้อยเพรมึงบอกมึงจะมาเฮ็ดมัธยวราชสันก็ระจัก บ, บุกูที่ผูกเวน้นมึงมัธยสันตประจักรนุญเยอะมากเยอะมากเฮ็ดแต่องเฮ็ดฝาบีสองปัญหาสามิบมาเดิอนอยู่กมเย่นระเบิดคณีเลยวะเนี่ยโลกหัวใจตีวะส่งเลือดว่าท่านเกือบไปรองพระยาานศีรเลนบ่ท่านช่ยนกัยังใส่ใอยู่เวน้นเว้นนท่านไป ไปกระบองน้ับป้นวะสัมบูร่าเจนบอดถ้ากรรมลับปนเพรากรรมมันมีเราก็ไปเชี่ยวเขาพุทธาสุนันท์วันกันพ้ไปจับข่อยตอนจับง้อตอนใช้เขาเพื่ันจับตัวเดียวทันแต่รอมันไปรอมันมึงจะขี่หลวเได้อวทันขันว่าตอนมึงเอาไปได้มึงเป็นชาส้นเขาะนอกมึงไงโผ่เปล่า ับซอยเขาเขาหาไปครับมีว่าย่อเกินไปเขาใชใจค่วมพ้าเอาสาแคบหรือปั่มล่ลลงแล้วก็ผูกโคดหมูผูกโคดหมูเ ข, ข้าเจาเห็ดซอยอยู่ต่างมุกเก็ดคนหมดกับเซียวพนึงเขาไปหาอ่า อ, อืน่นใหให้เมื่อก่อปั่มนวดสออายไอรยแล้เข่าไอรสูบฟอมแห้งะะอสั่งาพันที่ลอยเก็ต ทิพห้เนี่ยคัดเลือกทหารหน่ะเพมเป็นว่าเพิ่มเป็ น, น, น, นว่าขน้องว่านพอาข้าวว่าตัวแหงนี่พงง่อยผู้ดังเป้แงบเปแงบว่านว่าอยากหอดมอืออ่นกับานัดก็หอดเ่กัไปบ่ายยอนได้วั น, น, นวันไปเกชตรไหนเราเสี้ยวก่านทวานไม่ใช่สิงหวตายยังหอหลอดท่นเสี้ยวก็คลองถ้าเระเอามาเขาแคบเนี่ยผมมุงเพื่นกันยางคอยอยู่เนี่ยมือสิงหวตายยังมนอหลอดเี้ย ความร้องเลยข้มขาคมือหลังผูกโคดหมูแล้วลูกอัญ tha มันกะทาเลยเขาอกต้องแต่งของกบกู๊ดดได้เผูโคดหมูสี่สีขาข้อมันสงบนักแคบยอข้อมันบ่อปลบ่อปลห้มันรวมเขาวันแต่ที่เคยเห็นดอาเขาสอนสอนเขากล้วยว่าต้องเลาดอกข้นบ้านนอกเขาแล้วกระทุบลูกอัญ tha มันแล้วบไรจี๊ทุกุกุเฉียวเลิมมามันกระมันเจ็บได้แบบนี้ มันอ่อนสมกวหน่งก็ตีระหวนี่เขาจุมน้ามันใชเราก็ทุบทุบผ่อนอ่อนสักขวดน่งเขตีแล้วข่อนแกนขามสร็จแล้วเพรยงลิมนี่ริมไปเปลี่ยนเสียเพียงเลี้ยนไปเลี้ยมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาขี่รถกระชัดออกั่นนก็หัวเราเอามาล้ววันนี้แลอ้คนแปลงหูแปลงสมให้มึงเราบักท้ายเอ้มึงขี่ไล่ตายมึงไล่อะไรกันให้มึงเดาขายออกประเสริฐมึงขายบึออกแล้ันก็แปลงหูแปลงสมว่าทำบักท้ายห้ำมึงมึงขะนองอะไรกันมึงกะจอยมันกเี่ยวส้นเขาะน ันเรามัไหนวเาเฟันหาด้วยยีสิบสอมันมาแปลงหลงสมในเศร้านไรเ้เห็นไหมรับทอดละวันี่คืชิบกปีจ้าวัาไดีไปสามารถท่านว่าาประัดว่าท่าน่าาัดมาไปนั่งทางขึ้นงในร่มพยาบานพิบพ่ออมเทวดารวซอยลูกอัะอลกมันออกระบาศเนี่ยมันออกท่านนี้มันออกเข่าละไรเข้าอะไ้มันก็เปื่อย้วบาศนี้ สรอบแล้วโมกัดมัดความขรึดมยอยู่นี่ลูกหลานเออสรอบไปแล้วผลสรับไปหอดข้าเจ้าออกไปหอดคนแก้มนุนช่วงนี้เครื่องว่าข้าเจ้าออกไปพาแล้วเออข้าเจ้าไปพาข่าระเจ้าว่าได้รับปปจินญากรรท่านนะจ๊ลงพยาใหญมาได้รับปฏิญญากับท่านก็นกตามหลบงพ่อเนีบบ่ ลูกปฎิเสเลื่อนไทยเทวีรับปฏิญญาขับถ่านกระตางอะรนั่นล่องพยาบาลชมิตเตเวตรับปฏิญญาขับถ่านกระตางอนันนี่เม่ได้รับจกักรเสือมอัสเตอใช่ไหมเม่ได้รับปฏิ ญ, ญาขับถ่านสนแท้เราบาปเป็นบาปบุญเป็นบุนะเพราะเราไโอกาสทําวัดพามาทางพระเจ้าวรวงเราเลยหลอดตายมากเนี่ย ยังอย่หลายโลกเยอะแยะวันโลกโลกอันนี้ก็มีนี่โลกลูกมาโตเนี่ยมันยังเออโลกลูกมาโตพัว่าบสคลากรว่าอันคุณหม้อเขาจกจกกลมจกกลหลวงปู่บังได้คุนหม้อเขาเขากบังกบนใส่ถูงมือ โอ้ลูกหมากก็โตนะลูกหมากก็โตก็จับท่ายรำหมากก็ไม่เว้นอันนี้ก็ดไม่เว้นอันนี้ไม่เว้นจับค้วไอตัวนึงมาใช้หน้าตัวนึงนากจักลงแก่้วถ้าจับมาใช้หน้าขยะสิกีขยะกสิงเย้าขนาดเออจังหวอันตะกี้ตัวก็กินยื่ดีก็สั่นะท้าเอา มันมันว่าเอาื่อไถ่น้ามเมนไมันคือ ท, ทาท่าสิดขี้เงี้ยเมอเสมอยตัวนั้นไอน้มันมาจะเห็มันมันนอมนออที่ไปบริษได้ว่ส า, าวสพีเงี้มากผว่าโอ๊ยมึงเห็นหนังยูปมั้ยโอ้ยค่อยมัน ท, ทาท่าติขี้บริษัมันหน้าบัทพอดเบรินันเงียงว่าให้มันไปมั้นมาเป็นโลก เป็นโกคท่อผูอนี่ฮะปัสวะไม่ออกในทายาอยมมมมาู่เสมอนั่นน้สาเท่น้ทไหนของคนเขากรรมเห็นเหกับศาเนี่ยพอดีเนวดีก็เห็นกับศาสอร์เงีลลมมดี น, นีมม่ก็แล้วอะไรเนี่ดีเนาะเออเห็นกับสาสอันนี้ก็ชอบกินสเตับกบเนี่ยปเรื่องง่วยอยู่ไปเรื่องง่วไปงค้อยจะเป็นได้หน่อยนะหากบได้ยําแรกปีงนเล้สตับมาหลดและก่อนะเลี้ยวสเอัน ิีโผมันกวนพอจิกีโผล่ควบยมแรงมันมันบ่มีขีดกระเดีอยนด้วย <S <S ยมพุทธพุทธรดแล้วเด้ก็มาเป็นโรคทุกน้ำดีเป็นนิวเ น, นี่ยน้ำน้่นมามันขัดหลายมาเป็นสอง0ันห้ารอยสามสิบเห็นทักผู้ใดบดเสือ้อเขาเสือ้อผู้เดียวอันผลของกรรมรีกกฎหมายมันกับข่อหลีกได้อยู่แต่ว่าอันผลของกรรมทางรลีกไมได้หรอแมนอ่นหอพช้าอุีกได้เ่าะแต่ไมยังอาเนี แน่นบอกว่าปืนเท่าถ้ามันจังหวะปืนผู้อื่นมันจังหวพิดหล่ตัวพปืนผู้อื่นมันพิดเข้าใจบอกไอ้ว่าองที่มีประโยชน์เนี่ยให้คนเสียกรรมแล้วคนของกรรมงันเราคนทีเจาเทบดมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพม่มสมบันิในบ้านสมบัตอเพราะแห้งพุ่มสมบัติมาจากบ้านเกษตรแล้ว ไม่เสียดายอล้ง้ำมัช้นทางว่าเสียดายอยากซื้อสัตว์ัวอื่นว่เสียสกได้อยากซื้อเอยงพุมกระันว่าเสียดายจะากซื้อเรือดีหน้ามีว่เสียดายอยจะรวมอาวัจมกทุกประเภทว่าเสียดายอยกอดเวียนเท่าไรมึงเชกูวะเบียดเบียดมึเรียมหนึ่งกดจะเอามึงเรียมหนึ่งไหเมึาซสียเสียงอิจาร่าพะตะตัับบันบรวาเพื่อจะทำพิดเขามาจะสัตว์ก่อนนะมันเลี้ไหมนะ เราแล้วก็เขาจะศาสตร์กรขายแล้วไปซะเขาไยทำเราจะศาสตร์กรขาแล้วไปซะมาองแม่ผู้ไหนนะเขียดยุทธังเขียดหว่ามาสองแม่อาาตจองเรียนถูกใจเก็บวงมีในพระตัวธรรล้วค้าขายกับไม่ขอบเขตนี่ค้าขายเ่องค้าขายมนุษยค้าขายสัตว์เลี้ยงและสัตว์พิ่อข่าวพุทธนาหารค้าขายน้มค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระตัวธรรมไม่ใช่ได้รองน้ำเืิเลยี่ได้ตัวนึ่งหนิกหนิ่หนิกนี่ว่าไกลยังไง โอ้ยอย่างได้ทมัสัสูงว่าสั่งย่างยอันหนึ่งว่าสั่ย่งยกแหย่อวนคจังไรนว่าั่งเมื่คันมูดลูกเต้าจางใจถึงก็ไปเผาไฟถิ่นที้ว่าสั่งแล้วถ้ากันสองคนเนี่ยเอาแหย่วนไปเผาไฟถิ่นมา่า่าหลายเงินยสองคนเนี่ยในประเทศไทยนะห้องเห็นเรื่องไสองคนนี่ยท่านล่ะเอาไปเผาถิ่นอีเอง มึงก็มาขายกูไปอ่ะงั้นมึงจะไปเผาติ้งี่ยังเอืน่มึงก็จะไปงูหัวปลาอีกเช่นแล้วทีเนี่ยเด็กหน่อยสักคนใยุทธศาสตเนี่ยบุตรไส้มุ้งบ่ะตะกอนฝนตะปองตอนหลายปีอยู่ตะกอนห้าตปีอันนี้มันอันเรียงนี้มันเรืยงต่างหากแล้วเรีองต่อกันเรีอง่วนร่วมต่อกันนี่เร่ยง่วนตัวตะกองไปเผาไฟทิ้งมั้ ใก็สร้างให้ท่านว่านถึงพระโสดาบันบนเออนน่นสิทุกมรรคกัลถึงพระโสดาบันเ่าบดมรรคกลุลพระจ้ากระท่าข้ามีอานาคามีอาหารก บ, บาล น, นาไปเองถึงพระโสดาบันบวชลอยพันสาล่านพักษาก็ตามทิท้มาต่ง า, งางประพฤติเกณฑขัดปน็นไรกร้างขยังเชื้อดอยากเรีนเลขเรียนฟ้าเรียนวัดเรียนเบอี้ยจ บบอกเรบอกพาบอกวัดบอกบอ่อยพระาหน้าหาเรกนะพราพรทเบออยู่หน่มันบอแม่พระโากบันราะกระตามเนาะเล่นกระตามเนาะออบวชราดพากระตาพเชื้อเขาเมันมีเยแห้วพระองค์เจ้าโหนพระผุ้ดพระองค์เจ้าบอกไว้แล้วมนุษย์ชบบัตรวรรคบัตพุมบัตรยีพมม่พานสมบบัตมันก็เป็นอาวายัยบมกเน่ โมเมนตอาบายจะโบกนั่งโมเมนเ์ด้นั่งเป็นโรคขี่หรือว่ามาโรคตละดได้นังเป็นมิตรสาธิตยังเห็นพิษปิดสอบอยู่คือนั่งเมาเห็นเขาตะเกียงนนว่นงวามันทีมันบรรลุิษเพรามันจะเป็นท่าเจริญน้วั่นี้ปฏิทาาอะไรบนท่านเสร็ด้วยการให้ส่วนบุญถ้าบุญแล้วอุทิศหาวตารณโมธนาอะไรบนท่านเสร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนี้เป็นเป่นถ้าบุญละอนุโมทนาใด้ใจก็เป็นบุญเนาะ ธรรมะสวนาไม่ควรเรล่ยตการฟังกรรมธรรมเทศนาไม่ควรเฉล่ยตการแสดงกรรมทิฏฐุกรรมการทําความเห็นให้ตรงข้างความเห็นให้ตรงเห็นเรามีบาปไม่บุญก็ได้ก็เป็นบุญอยู่เห็นเรามรรผลญาภาพไม่เห็นเราคุณนพอคุณแม่คุณนท่านคุ้นจะคุ้นไม่มีบาปไม่บุญไม่คุ้นไม่โทษไม่สวรรค์มรรคญาภาพเดี๋ยวพาเห็นตรงก็เป็นบุญของหนึ่งเทาเห็นว่ามีบาปไม่บุญอ่เขาเรียกว่าได้ได้บุญเยอะมากเลยตคือต่าง การท่งเที่ยน้ำบมีบาบีบุญก็เรียกร่าสางบาปเพื่อบเพ็ญค่ามเ่อันนี้ความสำคัญก็มุ่งการท่เทียวไม่ีบาบีบุญทักกติดดับพยัคามส่สางซาบุญละบาปได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมีท่าละไม้สีละไม้พราวนาไม้ไปมนุษย์กันย่างดีก็แปลรัดเิติฐานไปสวรรค์กันยังดีก็ไปอยู่น้ำมนุษย์ไปพวกมรคกัยัางดีก็สวรรค์ไปอีกนั่น ไปพระยาแมันดีก็ง like. ูเข่เนี่ยเขาไปบอกเขาสารว่าเกิดมากกับว่าเอายังมานําือเอาไปขายซ้อมแกปซ้อมวันหนึงมาไปกับว่าเอายางกับคับคิดใจมาไปก็บ่ได้เอายังไปหน้ามอก็ดีเห็นแล้วยืมน้าใจก็ไปน้าใจอ่ะ ถ้าวัยเทสคุณดีวัยห้าสิบเอ็ดย่างไปนั่งเอาเฉพาะชัวร์ชั้นตัวไปนั่งงานวะคุณดีควบชัวร์ไม่เลี้ยวใจฮะไม่ได้ยุคนื่นไแล้วติดขั้งกันขั้งสมบัติโอฬานทันดีก็ไปบวกใจทั้งเชื่อเข้าไปบวกใจทันดีก็ไปบวกดีอยู่ทีใจทั้เช่อเขไปบวกั่วอยู่ที่ใจทันดีก็ไปต่ออายุของดีอยู่ที่ใจทั้งชื่อเข้าไปต่ออายุของ คนเชื่ออยู่ที่ใจทับบุญต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทับบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจมีทางศีลภาวนาเป็นต้นนอกจากใจัม่มีอนจะทําดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอนไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจเีืสรอากาศไม่ได้ทําเลยหลอกเพื่อหลงมากเผยหยดลงมากเป็นหนึ่งหายใจรักใจพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ที่ใจถ้าใจนับถือพุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ที่ใจ ถ้าใจ้ม่รับถือก็มีแต่ผีเต็มอยู่ที่ใจผีญาตหเองคนดีคนดีทำได้ง่ายคนดีคนชั่วทำได้ง่ายคนชั่วคนชั่วทำได้ง่ายคนชั่วคนดีทำได้ง่ายมันโกงกันครัมูดพูดแมลงวันกินง่ายแ่แมลแงเพิ่งไงม่ฝัน เขาใช้เขาวันเขาเกิดว่าอะรเรื่องไส้พรพุทธศาสนาขนาดนี้น่ะเรียกว่าเขาในสั่งบุญมาหลายตึกเอ๊ะถ้ามันเป็นปูเป็นป่าเป็นหมูเป็นหมาอยู่ในนรกเขาสะได้สั่งหมดมีนรกเาไม่มีเวลาสาั่งบุญเลยเพราะมีแต่เวลารับถุกเลยเขาไม่มีเวลาจะสั่งบุญจบนรกกับ นอขอจา้างงพยาบาลโอ้ยทูกขา่าวยในมนุษย์โลกทุกข่าวที่ปฏิบัาาติ่ามสิ่งภาวนานำเสนอกตามสถิธิกำลังในผู้ข่าวออกไปสก๊อตมาั่นาวานามาั่นคอยกบฏยามว่าเป็นคนคุ้มมูเจา้าหนีคอยสก๊อตเป็นมูเจาา้าขาทัดคอยกบฏข่าหรอกคอยินดีนําเลีเห็นรักทาัพประพฤติในขาดเห็นมูอเจ้าวงระเบิดเส้นหา คอยกับด้รลวงแล้วมือได้ร่าของคอยพิจิตรนั้งยินดีนำแดงบาปอ น, นันต์เก่งจังหนมากเป็นผู้คุ้มเจ้าพี่นอ้นองตัวนี้เลยจังคนจงไม่บาปคขาหลานนะฮะอยกับอยากมากเราไม่ห่อนจะตายจะมรรคหกเขอยากมากกับมุขคอยมีสุ่มหนักคอยคขอเข า, าได้เลยมากมู่เจ้าร้งเมื่อถ้จกิงอีกว่าจังวได้ต๊กมรอคหกปลายก็คอยค อ, อยว่ดไดร้องเมื่อท้ำเป็นจะิจิตยินดีนะมู่เจ้าเื่อ พิคิดย <valley> ินดีที่ก็นยังบาปเนี่ยนะถ้ว่าเส้นหามพระพุทธเจ้าสอนคนพวกไอ้ไม่เส้นหามันอึดมันอยากตายมั้พระพุทธเจ้าก็เป็นโง่ทังเนี่ยมาสอนใังนอึดคนอยากพวกมีเส้นหาเขาได้จินดีก็ห้าวสั่มแมนมถ้าไม่ส้นล ัไดกินียังอันนี้กระสืออันน้กระืออว่าะเวคนมีชื่อหนาบริบูรณ์เป็นพระโสดาันเนี่บดายเรยเลกบมรวมช่นาอีกนั่นะโดมันก็ดึงวัุนิยมไปนํานีอหลวงพ่อที่ะรดึวัุนิยมไปนวัุนิยม คนไม่เสียนาให้เขาให้เฝ้าเมื่อนกักุุมกินอยู่ให้เขาก็บวาดแวแหว่งให้มันเวลากย่งรอกเขากวาดตัวแม่นปร ะ, รประันหรืคน ม, ม่เสียนายไปเฝ้าหยอนเขาก็จางม่หม อ, อโลกมีทั้งหลายไม่เสียนาบนโลกนี้ลบลาขาฟันกันกันกบวเมื่ทหารกับวเมืตจกับเมือนะได้วอามากจนมุนอัยหละอนี้ จะพั ก, กินเบียกกินเหล้าทังคิดหมายจะพักเดินโบกเดินเบียกทั้งคิบหมายไอเว้นจะจะมาทั้งเจเริศเพรามันแน่ว ม, มันไม่แน่จ ะ, ะกระโดดลงรลุมทานเพิ่ม ม, มันไม่แน่สิเปเอาไมา่ไดขึ้นมา ก, กินอีกพอมออกแล้ว ทุมออกแล้วก็แล้วไปทุมออกตะพึชนะมันไม่เว้นตะพืชเว้นทา่าบดีมั น, นท้านจะเริญธรรมาหานอย่างซีเวทในทางที่ชอบยังจยียงจีตนางโลเกอในเถรกุลพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่เวอง ชละอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระประสงค์เท่านั้นเป็นชนะเะของเราเราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนที่พึ่งเทรึกทปติปติปุชาเราจะเท่าของชูพระในพานขอถึงสิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทระลึกเทปติปตีปูชาในชูมาบุญประมาณ เราะเป็นข่าวเปถาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงมือไม่มีประมาณเพราทุนถวายสัคนรกายบ่ากายใจบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงมือว่า ม, มีประมาณทนนาเอื่นของเราไม่มีประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนาเป็นที่พึ่งของเราที่พ่งท่านคิท่างใจ คิตใจไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจิตใจนับมือจะเริญขึ้นจิดใจไปกินอาหารหรือหละร่างกายเมื่อกีกินอาหารอาหารช็อกโกพลกินบะไราอาหารไม่กลากไม่กระดูกมื่อกี้กินอะไรกินอาหารที่เป็นประโยชน์จิดใจก็นึกสิ่งที่เจ้งที่เป็นประโยชน์ เป็นผู้ใจถึงในท่าท่ำดีแล้วเป็นผู้ใจถึงในท่าท่ำชั่วผู้อาฐานในท่าท่ำดีแล้วเป็นผู้อาหานในทางทํำช <Ma> ั e. ่วเป็นผ alan, ener, ู้อาฐารในท่ามันขยันทำการทำงานในท่าที่ชอบแล้วเป็นผู้อาฐานในท่าสี่ขานมันไม่เพาะปากพพอท้องสี่ขาน วุฒาตาวิญเตเตสนั่งคนมันยอมหาทรัพย์ได้เมื่อมันเลียนเลี้ยงเดินพาเรียนบ้าเรียนเบือเมื่อมันกินเหลราเมืยามันเว้นเราชนะควอมซัวของเฮาโดยควอมดีของเฮา เาชี้ชนะความเกียดข้านเราควบขยันมันในทางตีวจสอบของเราเราชี้ชนะความเบียดเบียนผู้อื่นโดยควบมาเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นกัเบียดเบียนตนเท่กันเบียดเบียนตนกับเบียดเบียนผู้อื่นเท่กันเมตตาตนก็เมตตาผู้อื่นเื่ากัน เาักชีวิตผอื่นกับหกีวิตคือกันเาหักของของเขาผู้อื่นก็หักของของเขาคือกันเขาหักคำพูดจริงวันนั้นคำขีดตัวผูวอ้อื่นเขาก็หักคำพูดจริงคือกันเขาหักพขาหักแม นับพี้างนอของเขาเขาเขาก็หักเขาไม่นักพีทางนอง เ, ขเขาเอาืเาก อ, อ, อ, เอกันมันเป็นเรื่องไปรัวระมิดขาแม่สมิชาชามาาสทช้าจานมุสาาสตัวเท็ดคำสีอย่างนี้นักป่าไม่สน ส, น, สนเลยดื่มสุดามอะไรก็เหมือนกันแต่พอดื่มพอกินต้อกับเมาอยู่แะพกินเลจะเป็นบ้าเขาหลอดน้าบ้าตัวอนันน้ำโซา ของดีได้หากินเป็นบ้ามัดไายกินหลายอหไยกินน้อยก็เป็นบ้าน้อยคิดหายหน้อยเสียทรัพย่อาการทารุยบ้าเกิดโรคต้องที่เตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญาโสดแทนบืมสุราขวดเท็ด พูดซอเสียบพูดคำหยาบพูดเฟรเจอรไม่มีประโยชน์ทำไรสมบัติผู้ดีเจ้ของไม่ข่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในขามเรื่องมอระดกความดีของมนุษย์ขวามดีไม่ในตัวของเฮาแล้วทรัพย์สมบัติานนะค่อยไม่่อยเป็นไปแล้ว ความดีของเขาบอกว่า ม, าม่ทีได้ทรัพย์ท่านออกมือได้หานมันโกยูมันจะเสียบัตรตระกูลมันตั้งขัง้งจะตั้งอยู่ไดา น, นามาได้เพราะสถานศีลไม่แสวงรัพระจะรู้ที่หายแล้วไม่บริเน้นพระจะรู้ที่ข้าม่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งส ต, ตรีย ร, รูปรูปสินให้เป็นแม่เรือนพอเรือนหวงจะดำรงตระกูลพนเว้นสาถานฉีประการนีเ่เสียหรือมีทะเละสา ว่าสีหาได้มือแั้นพันแล้วมือก็อตามมือในานก็ตามมอรมมัดบถึงไม่แต่เป็นฟาเป็ดีนก็ตามไม่แสวงหาพะระสุรี่หายแล้วไม่โบราพระสุรูษคําค่าที่คําค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติหาได้หาปใสซิปกับว่ายังดือกัน ตั้งโมลุทธุสินเี่เป็นแม่เฮื่อนพอเพราะเฮือนไม่ซับไม่สินค้านบัได้ว่ามาอาบะคิบหายบเรีนหลวงเรียนเดียวเรียนวัดเรีนบเนบือบมันทะเลยั่งนามหายยิ่งใหญ่้กันนะอ่ะเ้าไปจอกจอนู้นจ่อฟองเดียวท่นนะานเอาผ้าอะไรคลอบฟองเราฟองเดียวซ้าผมมือเนี่ยช่วยไปตักมาใส่ต้นหอกหรือ่วฝนที่ตกลงมาใส่เงี้ยที่มัดสิางสิไม่พเนกสรนะัะ ลูกหลานพี่น้องล้ปูที่ส้างขุนมีอยอ่ทํางิอุดหนุคิ้หายบัดขันค้นทุศีนเป็นผู้ปกครองเฮีอนสราบนะเรากินโบกกรเลนเวียกระเล่นนะขอ้อปดย่างล้วนรกพ่อแม่ก็คิ้หายบัให้หน้าหัวสวนคิ้หายบัดคิ้หายไปแค่เลยกแค่น้อยเดียเจ้าหงแม่เครื่องรก็มีงินไปตลาดโอ้สารวัต พวกเรเลขเรียนฟ้าคืกันที่แดดมนมั่วมาวมันัว่วอยู่กไปยังต่อมันติดอยู่เ ข, มมข า, มามาจนะีบหามาว่าพ่อละต่อมันมติดเลยกห้องกันมอยู่แตเงื่อนแตกซ้านเลลูกก็แตกันยังวะเป็นาวาเป็นสาวก็รักสาวกุ้มล ะ, ล, ะละเรีนโงเนเบี้ยยังเเบิ่อมากมเอาอย่างวะเมื่อใจตีบ คนสองเียเหานอมาต้อไปเนอะยาาวารีวหาภูรยาริินาลังยุ่งยอยู่ทุนัเป็านำภูกระวัติอิทธิธรมาตนังจิตวิญญา่จะตัโะนรกโสาาทิีโสภาถติวิติทตุโตนโ์กัป้อทานะาทววีรกโสิัิั์่โภตุโภุนตาจิ เนจังมุตคาปชาโมาลุธรรมันติอายวนุสุขังพระเอ๋อครับโดยเดตุพตาสนะอ้ทรงวักคนข้าไมมีประมแล้วก็ทรงมีทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รูลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อแล้ก็เนื้อลงอยู่ทุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยไม่เป็นอะารที่พวกเราทลายทุกต้นหน้าตัณงจรูปาร์ต้องประสบจากความสุขความเจริญมาวารตุพตาสนะขาง็จะมาตุพเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆด้านจนถึงที่สุดทุกใบชอบโดยด่วนโดยไม่ คือไฟนี่ายพอยังพิสดารทัวมากให้รือ่กันธศาสนาอยู่ที่ใจของไฟขมันผู้ใดทสัวได้สัวผู้ใดทำดีได้ดีผู้อื่นทัวเจียสเอ้ามาไม่ให้ห้าาเขาบอกเกันผู้อื่นทำเป็นทดีห้าวจะไปงาดเอาก็ะเบดหรือเราไของมันเนาะอ มนุษย์สมบัติไม่หยังมนุษย์สมบัติอมนุษย์สมบัติก็เว็นจากเลขเลขให้คันไม่เว้นจากเลขเป็นมนุษย์ในบัตรเด็กก็เป็นเทวันในบัตรเป็นพุทธในบัตรเป็นยภาวะในวัตรเื่ากันเลขเป็นมนุษย์ในบัตรเด้คเข้าอาอบาบยะมุกมุขะมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายเดี๋ยมุขะมุขะอันไผเสียมเก่งกวันพระพุทธเจ้า มาสอนสอนธรรมารสมบัติสวรรคสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติบริบูรณ์พระพุทธเจ้าคำสอนใดๆในใจโระคานเป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาหมดเชิมทิศสิมีดเทไหลกระซี่ไปสร้างทิศเหนือน่ะคำสอนเทไหลก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของสมณะพระพุทธเจ้าเหมืน่ะมูห้าวหลงเลยเชียวหรอกมูห้าวเป็นไม่ซาสิทธิมูห้าว เ, เข้าใจว่บ ได้อาจารย์บุรีได้ไงพระสมณะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์ ส, ส, ส, ส, ส ม, มบัติภมสมบัติญาพานสมบัติบดีบุญแล้วคําสอนปฏิบัติพรทัานไหนก็เป็นข้อผิดท้องเฮาอันเนี้ยได้เคยผ่านสอนมันก็เป็นบะมีได้ไงให้เก่งกว่าในกระซังเทอะเอาคําสอนพรุทธเจ้าน่าเป็นแหวนไปนกระจกเงาบอกข้าวสารว่า เขายัางม่กเข่าเขามายัางม่เ ข, ข่าใจว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติเนปาลสมบัติอยูะเบ้อ พระพุทธเจ้าพเพื่อบด้หามนี่นี่ยุุฒาตาวินทเตธนางคนมันยอมหาทราบได้อาจพระพุทธเจ้าส่งสรรเสริญคนมันเนี่อยอันนี้เข้าไปมั่นเรีนเลขเรีนพระเรียนพรติเบอร์มวยจักมันตายวิริย์คนทุกขมัจเจ ต, ติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่ วุฒาตาวินทัตเตย์ธนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้ท่านมันมันไปมันเรียนเลขผุนเฮาออืไปมันเป็นนักเลงหญิงนักเลงชู้หน้านักเลงเด็กก่อมพ่อนั่นผุนไปมันทา้งคีบพายผุนมันกับของโมเมนท่าท่ามันไม่เป็นไปชี้ทั้งขางมันกไปว่รอดที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนเนี่คนมันเนี่มันสอนสอนเป็นคนขี้ขำเนี่ยขอไหนหาทรัพย์ถินเนี่ย อพระสมานเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นวัตถุนิยมแหละมันก็ดึงอุดมมันเป็นอนเป็นคําสอนอุดมคติดึงวัตถุนิยมไปในตัวอรัพย์ที่ไหนมากในทางที่ไม่ชอบอ๋อทา่านาคามเลทขท่านาค้ามผาโยนมาไหนมันไม่ได้สัน่นมันมไม่มีเลยมิมิจะมันข้ามยุ่นล่ะไฟไหมเลขไหมผาไฟไหมเฮอนไหมซ่าน มันที่ดินมันยั่งไฟหม่เลขไม่ผาไม่บัดรไม่เบอร์ที่ดินมันไปจ่อยเอ๊มันมายั่งเน่นลูกหลานเท่าบักหนึ่งไม่ที่ดินเจ็ดสิบล้านเรียบพุดเดียวนี่อ่ไปเรียนเลขแด้เรียนผาแด้เรียนบัดแได้เรียนบเบอร์ด้ เ, เรียบเรียบพุดมันเนาะให้ไปช่จงปองเลย วันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นควมอยาขึ้นอยากพันไปไปกินอันยาพิษเครือบน้ำตาลผลยาก่ะยาก ก, กินอันเนี้ยมันดีผลอนบได้วารได้เล ย, เลยพระพุทธเจ้าบัด้สอนให้ว่าบาอยากค่อสอนทางอยากกคือยาพันไปกินยาพิษผอนอันเนี้ยเพอเพื่อกินผลเพื่อกินเนอ่ยมันยัดพิษได้ถ้ามันยุตตาเป็นพุทธจักเหตุมุจตกว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุดสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกอัธันยุตตาว่า เป็นผู้รู้จักผลรู้จักเป็นสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุันี้ท่นทุกเป็นผลแห่งเหตุเดนเลขทุกเป็นผลแห่งเหตุเวีนเลขนั่น น, น, น, น, น, นับหนับชือว่าจะไงสิเห็นกุจักว่าแมนจอกดอกบัวเห็นจ้าหัวเป็นไบผูกอเอ <c oughs> <c oughs> <ใน S 2> าเลข <c oughs> นั่นเมียอันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผลทายพแห้ง่ะ อันเป็นยังกันไปเลีนเลขก็ฉันรัฐบาลกับรัฐบาลผีบ้าพระป้าซาส้นเล่นเลขเขาเขาบอกว่าเียแล้วฮ่อเพียงเพียงหลวนเนี่ยฮ่รัฐบาลผีบ้าก็ฉันทวารรัฐบาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ฉันเป็นพ่อเป็นแม่ประชาส้นก็เป็นลูกก็ฉันพ่อกับแม่เรีนเลขกันพระพื่ที่จะองค์ใดว่ามันจะเลืิดไว้กันทวารนะแค่ก่อ กระยากหมอเขาดอกเขาเหลาที่ซื้อดอกกระยากหม้เขาห้องหัวจ๊กมันชิบห้แล้วเ้างหจุ๊เฮ็ดเอ้าหองหัจ๊กมันชิบไห้องหัวแจ๊เฮ็ดแต่ผู้ขายยังเร้าใดนะผู้ขาสูบยาพวกคุณหมอนี่พนวาเฮ็ดไหนสีรบูดี่เร้าใดไว้สั่งเมื่อเมื่อใบกระป่ากระเศ้าทัตว่าสั่นเลยพกคุณหมอนี่ยพันว่าเนะ่ยเขาก็ได้เศร้าใดจริงจริงมือตูกก็เศร้าดีเลยมูอตู คำสงใส่คำสอนพระเจ้าปีนคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอะพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุทสมบัติญาพานสมบัติครบปัจผัวกขาไม่อ่าพระพุทธเจ้าเขสอนด้วยยกย่างนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยมาพึ่ดร่วมใจด้วยม่าความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวพระพุทธเจ้าส่วนไมีอ่จากการงานดีสงเคราะคนข้างเคียงของผัวดีไหมมาพึ่ดร่วมใจผัวรักษาทรับที่ผัวหาไม่ได้ไว้ขยายไม่เจกะาะในกิจการทั้งพวงอันไหนอันพระพุทธเจ้าเขาสอนมันไม่หรอก คบมิตรพระุเจ้าก็สอนมิตรชัวในทางชีพหมายมีลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้เมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้เมาเมในกเล่นเล่นการพนั น, น ค, บ, คบมิตรพระพุทธเจ้าก็สอนมัดอั น, น้พระพุทธเจ้าว่สอนว่ามีได้ยังไงอันนี้มูตโตมันหุนทั้งมีไปซี่ทั้งคางอนเอะเออ อันเลขผ้าวัดเบอร์กะละบ่ได้ฮะนี่เห็ดกางในเมักผลนี่ผ้ามันแห้งอันละเอียดก็นั่นเห็นได้สิไปได้สร้างโม่อยงว่าอันหาเกิดมาพ่อแม่ห้าเลี้ยงมาอันเพิ่นเอาเลขเอาผ้าเลี้ยงห้าบอสันบอถือว่าเพิ่์นเาเป็นคนท่านสมัยอ่อันมูห้าวเป็นคนท่านสมัยได้เอามรดกเพิรนกัรักษาปกุบมันท่านโพดไม่ไบอ ไอ้คนท่านจงไงไรมรห้อรดกเิกัรักษาปะกุ้มท่านไมร้ายอะพ่อแม่เทาเอาเสียมมายุนสาวหนาเลี่ยงเท่าไงบทเท่านี่รักษามรดกเปิ้ลกบกุ้ ม, มอืมไม่ให้เอาให้เอาหน้าไปเรีนเลขบด ไ, ไปยืมหนังสืออันไปยืม ไปยืมเงินท่อสอมากนะแล้มาลงทุนมนไปเรียนเลขแล้วมาลงทุนไปเรียนเลขอัพ่อชอง่งวดเขากับ่อช่องพ่ อ, อ, พอ่องฮะเนี่ยสองอวดสงมวดมันเสียเขาไปเลยเอาอะ ไ, ได้บาทนี่ยฮะเนี่ไปเมืงไงนะบาทเนี่ยเสียเงษเมืองไงนะฮะเนี่นเขาเนี่ยเขาเอาน่าไปซสียตอะไรแคพิศช่องปองตัวแม่นมหนอ ซื้อซื้อซ้ซื้อจนอันอันซืไปหาพระมาให้กูกินน้ำชักตัวได้บอว่าซือบอกกูขีกขโมยตัวขี้ไม้เลยู้นกบ่ถือกับเทียกับพดบ่ถือกับเทียกไบไปไปตัวมัวมาตัวถึอเสียเปียบมูหลายบ้าเาว่าคนเด่นเด็นี่แตกรัวเฮี้ยนกันหลายเราเห็น อีนึงอี น, งงปปนึงร่งสิบปีหลังะมีเงินนุ้ดล้า น, นเรีนเจเล็กเลีนมากพ่อๆลราเรามีเงินไปซื้อตลาดอทาพื่นเหนียวกางเกงพื้นเดี๋ยวว่าอะไรทายเรไม่แน่ทายหน้าเหมือแรกยังค่อยอาบนา้ํานาเป็นปีเป็นเดือนมาเรไม่ สินท้ายไปสัน่นไปทั้งในแม่วันจอมโซโ ซ, โซสัน่นโมูโตจะใครเมียโม่โตเป็นเร่องสันบอกนี่ไปเรียนเขาดูรู้ <laughs> เอ้ยมันจิ้มหายเลขมากถัวก็ไม่อยากแตกกันตัวให้ลูกกระแตกเพชั่วทีบเทเรียนอือเขาเห็นกับหูกับตาเขาเนี่ยวันันนี้ทุบในนี่ท่านเนาะชะคักไหเขาเห็นกับหูกับตาเขานี่เอามาพ่พ่อม่มีเงินไปตลาดให้ สวยไปสวยไปฮางเล่นนะโอ้ยไผ่จีเกียงบัณฑุพุทธเจ้ามนเอกสร้งเอาเนีในไตโรกะาเนี่ยฮ่องเชียพูดได้เลยมนเอกไผ่จีเกียงบัณฑุพุทธเจ้ากงาฮ่เชพอแม่แม่อ พอพอีเงื่นกระตามหลูกได้ไนพอพอย่อปิดนีไพลไวทันพอเห่าอเห็นพอเห่าไปเร่นเลขจักเถื่อบอเห็นพอเห่าไปเรียนเฝ้าโบกจักเถื่อพอเห็นพอเหาไปฟังรัมจักเทื่ออ่อ่พอเหนพอเาสามเสดุงจักเทื่อเข่ามาแล่ะบัตายฟาดตายย่อมือเศ้ามือเอือนย่อมอฟาตายจะเจ้าเนาะเหมือนกนบ๊อพิดจักขวม ย้ำว่าเอาหน้าม่พอกินห้่าพอเอเมันบิกตาหูดูตตาไป่านหน้ามันเศ้ามากตายค้าพระวนาพอแม่ข้าก็ตายค้าพระวนาพุทโธเม่ได้ไปไสบาตเมืองนึงทะเลาะกันแม่หอม่ได้ไปเพศเมืงหนึ่งก็ทะเลาะกัน่อได้เห็นธรรมหานิการเม่อได้เห็พระมรดกไม่มีธรมหานิกายบานห่อละออม รอบวัดด้อพี่น้องเข้าบดยุบวัดกุศาจังหวัดอุดร น, นี่มาท้ามายุทธึงจะเข้าสองสรมคนนั่นแหละสมันัานมหาีิการบดบอเห็นพอจินเราจัดเถอแม่ก็บอกเห็นไปฟังร่ำรำพันจัดเืนอนั่นบัตรตายชอบตายข้าพเน้าพระพุทธเมื่อดก็ดิบจักแม็่ นักเลงหญิงนักเลงโซรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นเม็ดเกียดข้าศ์ทางานงานในทางที่ชอบอาบายยมุก ค, คือเหตุเครื่องเคลื่อนหวหกหนึ่งดื่มน้าเมาสองเที่ยวกลางคืนสามจะดูกันเล่นสีเล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นเม็ดมุกเกียดข้าศทําการงานหนึ่งดื่มน้าเมามีโทษหกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรค สี่ต้องตีเตียน5้าไม่รู้จัดอายหกนทนกำลังบัญญาท้องเที่ยวกลางคืนไม่ทอดถุกหนึ่งเชื่อว่าไม่รักษาตัวสองเชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียสามเชื่อว่าไม่รักษาทรัพสมบัติสี่เป็นที่แะแวงของคนทั้งหลายห้ามัดถูกใส่ความหกได้ความลำบากมาก เที่ยวดูการเล่นเมโทษตามวัตถุที่ไปดูหกรําที่ไหนก็ไปที่นั้นดีชีที่เป่าที่ไหนก็ไปที่นั้นเสภาที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั้นครบคนเชื่อเป็นเมตโทษตามบุคคลที่ครบหกหนึ่งนำให้เป็นนักเลงหญิงสองนำให้เป็นนักเลงสุราสามนำให้เป็นนักเลงเล่นการพนันสี่นำให้เป็นคนลวงเขาแบบของปลอมห้านำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าหกนำให้เป็นหัวไม้นะ เกียรตข้าศ์ทำงางานไม่โทษถกหนึ่งมักเคยอ้างว่าหนาวนักแล้วก็มาทำงางานสองมักใคยอ้างว่าเพราะนักแล้วมาทํงานงานสามักเคยอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วมาทำงางานสีมักใคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วมาทำงานงานห้ามักใคยอ้างว่าระหายนักแล้วมาทำงานงานหกมักเคยอ้างว่า เหนวนักแล้วมาทำงานผู้หวังเจริญโดยพระกศัพย์จงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นโหนเอกพระพุทธเจ้าพเอาไปเฮ็ดเบิร์กแฉะขมว่ฉีกหายออนั่นนั่นอ่า ตระกูลอันมั่งคัง่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่รู้ไม่บุรณาพัสดุที่ค้ำคา่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสตั้งสตรีหระวบุรุษทูศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสีประการนี่เสียนั่นนั่นีนนนนน่ข้อหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วนี่กับอาลธนาปัตูเดียวเนี่ยสองไม่บุญนาพัสดุที่ค้ำคา่าเนี่ยปรตูเดียวกับอาลธนา กัรเก ง, งกว่าขาดพ่อใไสกับเพราะไสเพราะบูรณะเพาะตาบ่พราะฝูงไว้ซื้อไม่ตะพื้นตะพือนเออปักตูเดียวนี่ก็เอาทานาถ้าไม่รู้จักในการบริโภคในการไม่รู้จักบริโภคไม่ไม่รู้จักการประมาณในพวกบริโภคสมมมาณหาได้หาไปใส่สีบบางรูปค่ะมันย่างเหงาอืมอืม สีตั้งวุรุตู้ศีให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนสี่มีเงินต่างพันล้านกร้างไอพ่อเฮื่นกระเรียนเลขส่าไม่เฮื่นกระเป็นเลขมีเจนักได้ยังพบข้องลูกไปบอสดมัดตระกูลสี่ัางข่างมันได้ก็ตั้งนี่นานเมื่อใดพอะถานสี่ขดได้ขดนึงเอ้าน้ำทั้งไงหนาไปจอกจะไปจักคอประมือเนี่ยให้มันไหลกลัวที่ประทักหัวข้อมาใส่กลัวฝนจิตกว่ามันก็ะงถืว่าย่งไรสาบหาแต่ว่าจอกลายฟองได้เนี่ย ทำมปรโมืตอนี่เาะเอาไปจอบงดูน้ำทั้งสัง่งเช็ดก่อหล่อนั่นเขานี่เสียอลานเปิดเสไนเลยพระพุทธเจ้าคุน เ, เดาคุนเดาขนเดานะฮะบอเซียโปย ม, มือนี่เอาผู้มัทสวดาบันไม่จังไรสั่นเอ้าูมมัทสดาบันหนึ่งไม่เชียดายถือศาสตราอื่นสองไม่เชียดายอย่าจะล่วงละเมิดสินหา สามไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันสี่ไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรห้าไม่เสียดายอยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาหไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค่าขายมานุษ ค้าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ทิ้ดราคาเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาเพชรการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดบิบาลไม่ใช่ไดายร้องละเมิดเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิบหายไม่เ จ, จริญจิงไหนที่ไม่เชียดร้องละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจนะยู่ว่าเราไม่เชีดลลยดายงรุยรงรุยร่วมทานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจ เราไม่ใช่ได้เอาน้ำลายที่วันเที่ยงแล้วมากินอีกมันนักใจไหมมันก็ไม่นักใจความดีคนดีทำด้ง่ายความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนชั่วทำในง่ายมันตรงกันข้ามอุจราปัสสาวะแมลงวันกินง่ายแต่แมลงพึ่งมันไม่ฝันเลย อ, อีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยให้นั่นนักนนั่ น, น, น, น, น แต่ทางเสื่มทางเจริญกับหูจักเพชจังไหมันจังสีเจริญเจริญด่นอีฟอยเมรกเอ๋ยทางคิบหายกัย่งวกหูจักท่างเจริญกับพวหั่นหูจักเพชรจังไหมันจังสีเจริญเสนอเอยมันไม่ได้รอกอันนี้เหตุฉนั้นเพื่นจังวสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบเหมือนว่าอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อเชรเพชเป็นชอบเพา่ะเห็นกูจักปาแมนดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปปผูกเอาเลขแมนว่ละนั่น ก็ว่าเอกแม่นอีกแม่นบอว่าอีกแม่นอีกงานลู่แล uh, ้วยาตัวเตาผ้าโล้มันจะเป็นเปโตเพ็ดเน่าในหม้อวันน่ะข้าสอนเอาพระเจ้า่าเสียวสวัเนี่ยลู่แล้วลู่แล้วย่าเด้อัวทลู่แล้วยาจัวเตาผ้าโล้มันจะเป็นเปโตเพ็ดเน่าในหม้อเช่น โหม้ยพรจะไปเป็นหุนเอกบรรพุทธเจ้าพระเล่นเล่นเล่นผ้าชูชูเขารักษาชิ้นหายอวบเมื่อใดได้ให้อมอาบายยมชกชคุมในโรกามนุษยษาโรเก้เขวจากทมคำสอนของพระบรมศาตรามี่าลำ้ำนอและชนเหยียบย่ำตีเป็นเลขเป็นผาใช่ไหมเอ <c oughs> าแตงเอาได้ไหนอันนี้ ใครรานใครลุกกล้าวพุทธกรรมสงผลของกรรมอันไม่ดีจะตามบันจงอยู่ชั่วกัารพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วสลายก้อนไม้ใดๆก็ตั้งมาอยู่ความธรรมไมําำคำนึงก็หมดที่พึ่งพิ่งอิงอาศัยชาวไตรโรกาอย่าประมาณพระพุทธศาสนาเธออ๋อขันชาวโลกไม่ชินหาบริบูรณ์มึงดูทหารกับพรต้องไม่ตํำรวจกับพรต้องไม่หรือว่าจังไรศาสนาอ๋อพวกตั้งก้อนไม้มาเสมอเนี่ หมดหลอกนี่มดหลอกเนี่ยเขาคงจะไม่มัดตามก่าหามือล้านเวะแต่ประเทศจีนกับแ ต, แต่ประเทศจีนกับกับพันล้านนะ อันค้นในไตโลกธาตนี่พวกตั้งกนไม้ยอเสมอนก้นไม้โลกกดีกไม้ประเทศท้องไปทของบนก่ดีมีชิ้นหาพ่อรอยคนมาสัญจ้างกับผมนี่ฮว่านั่นเอาหันย้อนมาลงมหาประเทศดูนะฮะแต่ละประเทศประเทศผู้ตั้งก้นไม้ขึ้นมีชิ้นหาพ่อสิบค้นมาสัมาฟันพอด้วฮะว่านั่นเอาประเทศไทยเฮ้ผู้ตั้งก้นไม้มีชิ้นหาพ่อสิบค้นมาสัญเอาเสียหายยากด้เฮว่า นั่นนั่มเพืไปตั้งอารตั้งเขาค้างตัวอันนี้อันทพระพุทธเจ้าวาดสอนเราม่นวิธีระงับอธิกรก็ไม่อยู่วิธีระงับอธิกรณ์คนหมู่มากลากไปเยพยศิกาตัดสินเอาตามคำของคนหมู่มากเป็นประมาณบางการณี คนหมมากนั้นเธอจะเรียนจบพระตรีพิฎกก็าความปรพฤติไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงแต่โมเฮ้าเนี่ยท่าไปออกเสียงให้ค่าค่าเอาตังค์ให้ไม่งนนั้นหม อ, อ, อเก่งแต่ขอกเก๋ดีว่าไงสิเ ง, ง, ง, ง, งี้ยนั่นนั่นนั่นนั่เออถ้าเรลยอกพูดแค้นถ้า ลูกปูเป็นคนลาสมช่ไหะท่านพวกลูกๆรนะดับนคนท่านไจ ะ, ะโกรธ้ลกภูแด้วลกูว่าอเนี่อันจังว่าปะชาส้นเขาหายมู่โตไปแล้วนะมู่โตไปหากินนับคนท่นสูงนุ่มิมปะชาส้นนะท <laughs> ่นแมนวะห่อวป่ะปากัหรอ ว่าเราเป็นนพระเจ้าอันตัวละเนาะว่าว่าถือว่านบอตาตมาเน่นบพระเจ้าคนนี้อือว่าถือว่าฟังเทศอตาตมาเน้เนี่ยเนี่ยถือว่าฟังเทศพระพุทธเจ้าเนี่ยจำองค์พจนมาบอกกันซื้อเนี่ยเริ่มกลางเพจนใครจะพูดดีเดน่นสักเพียงใดก็ตามก็เล่มกลางพระสมานพระพุทธเจ้านั่นเองสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไม่มีเลยอยากสาคัญมาเป็นคําสอนของตนเลยสมบัตพิพระศาสนาในใจโลกทาเหมือนกันจีไว้ไม่จตตาเนาสนาสนะและเพศ หือทั่วทั้งใจโลกธาตุอย่าสมบัติเป็นอย่าสำคัญนะเป็นสมบัติของตนเลยสมบัติของพระสมมาทัพพุทธเจ้าของพระอรหันต์ท่านทิ้งแล้วท่านคลายแล้วไอ้พวกเราเป็นหน ôn, อนมาแยกกันเนี่ยผู้ใดมีกิเลสมากก็แยกมากผู้ใดมีกิเลส dairy, น้อยก็แยงน้อยไอ้ไตแต่มันใจโลกธาตุนเป็นสมบัติของพระอรหันต์อรหรันตะสมมาทัพพุทธเจ้าอรหรันต์พระปฏิเกกอรหันต์สาวกตาวิกาท่านทิ้งแล้วขาดทิ้งแล้วท่านไม่เอาทํำไมจึงว่าเป็นของท่าน เหมือนอุจระที่เราไปไทายนี่อุจ ร, ร, ร, ร, ระของคนนั่นคนนี้แต่มาแรงวันหรือนอนไปแย่งกันกินไอ้ที่แท้ก็ท่านไม่ได้อะไรแต่ว่าอุจจระของคนนั่นคนนี้ชั้นใดก็ดีในตจรักข้าก็เป็นน้ล า, า, านนลายของพระสมาะพระพุทธเจ้าเป็นน้าลายของพระรหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อทิ้งแล้วมีแต่พวกเรามาแย่งกันนะคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนท่านทั้งหลาย ดินหน้าไฟลมนั่นเองจะเป็นศาสตรารทนท่านทั้งหลายไม่ได้ว่าวัตถุนิยมอันออกมาจากธาตดินน้าไฟลมนั่นเองจะเป็นมรดกของท่านทั้งหลายพระบรมศาสตรามัได้ว่าถ้ามีอุดมคติแล้ววัตถุนิยมก็เป็นไปเองถ้าอุดมคติไม่มีวัตถุนิยมหามาได้มันก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็แตกกระเจิงไปไม่รอดเหมือนกันนังหนัง อออบายยมุกเป็นทุกข์เผาโลกไฟไม้บ้าไม่เลือที่ดินมันยังไฟไหม้อบายยมุกไฟอบายยมุกไหม้ที่ดินไม่ยังนั่นไม่เหลือเลยนั่นเอรอกปู่ย่าตาทวดเอาให้ก็ไม่ไ ม, ไม่เหลือมีน้นำซ้าจิตใจก็ไม่ถึงสินถึงดำก็เจอแต่ทุกข์ตะพึ t ตะพือน พรทหารเรียนนโมโจบนโมแปลว่าน้อมน้อมพระทารน้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายน้อมน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงพทหารเรียนโโนโมจบนโมพุทธจนณ์ก็นักอะนโมเลกนโมผานโมกัดนโมเบอรนั่นนั่นนั่นนั่นั น, น, น, น, น, น, น, น, นฟังฟัผเสียสะเสียไสย้ฟังฟั่งฝันเสียพันเสียหมืน่น สรงข้อมืนอนื่นกระชิบหายคือกันแมนบอเห็นกงจัดผมาแมนดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปไปผูกเอาเลี่แมนบอย่าจะภาคเกษตทังทสั้นมูอห้ามมันข้นสูงแล้วมือห้านี่บน่นึกว่าญาติโนมะเั้งสั่ น, น, อนอรอแมนบรัดไวคอนดอนนี่กระด้เมนกระตรสเต้นเนกเล่นสีไตพนะถทีเดพอประสงคหัวหน้าไง เออ ยะท้าวานิวะหาปริปเรียนเดชากำังเอเวาโตะนังไปตานังอุปกปฏิิจิทางปฏิทางตุมังเก็ะเมสมิษะตัสเพู้เรียนดูสังกับปาจันโธพระนรโสยถ้าวันิโชติราโยะาสพิโยยวจันราปุพระโภตโภวีนัสตัตวะเทพวตันตาโยสุขีศีคาโยโภอภีวานาสีนิสันิจังวทาปาญิโรจตาโรธรรมาวัตทันติอายุวูสุขังภราด้วยเดชพุทจักสนะอันทรงพระคนเข้ามนประมานก็จงมีอยู่ทุกการ รู้ไม่เคลื่อนอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้พอดีที่มาจะมาในที่นี้พอดีทั้งตโรโลกาเจ้ประสบแต่ความสุขความจเจริญยามบวชพระรพุทธศาสนาของพระสมเดพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจ น, นถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดุลโดยไม่หลืออยู่ทุกข์เมื่อเธอไปผู้รู้อยู่ในอํานาจวาสนาของใคร เขายืนยันว่าเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ยืนยันก็มีแต่ความหลงไปยืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุนคคลแลว้วกวนเวียนอยู่ปันกระขันใจไม่มั่นยืนยันว่าตนก็ไม่พ้นยาพิษประมารเผากิดงูเขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ําให้เป็นตัวหมัวเมาหลายกลายเป็นอดีตขวางกีดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาทำกรรมจะแม่นำเจตตาก อ, อพบพุ ใจถูกลบลงถึงทำว่าไม่อยู่ห่างทางไฟอนิพพานถ้าเที่ยวชาญเดินมัคควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายก้นหลักก่อนจะมาก็าออกจากกันเดียวถ้าหลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่สงสารอยู่นานเนิ่นชาปัญญากราหันหาต้นเหตุย่อมนิเทศเอติตธรรมไม่ร่วงร่ําไปชาทางอื่น ก็ไม่ตื่นในการโวหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อด้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้กู้ไหวความหลงโปรงภาละสะสางตัอยดมดนิเทศจะกล่าวบัญญัติผู้รู้ชัดก็หากเห็นเองคนอื่นเพ่งว่าเป็นว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัตรโริโลกานำมากล่าวสาวไหวเพียงนี้พิษหรือถูกผูกไว้แก่ทำผู้ร่วงลำ่ำผู้รู้ร่ำจงให้อภยัย พ่อพูดที่ c ลัะพที่เจ้า